สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านจากนี้ไปเป็นการอ่านหนังสือเรื่องชวนม่วนชื่นธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่าโดยพระอาจารย์พรมวังโสเจ้าอาวาสวัดป่าโพธิยานเมืองเพิร์ฟทางตะวันตกของประเทศออสเตรเลียซึ่งแปลจากหนังสือชื่อ opening the door of your heart โดยคุณศิวราอิศระให้เสียงอ่านโดยพระกรินิมโลและวิรังรองทัพพรังสีซีดีชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจกเป็นธรรมทานผู้ที่ได้รับซีดีนี้ไปและเห็นว่าเป็นประโยชน์ประสงค์จะมอบซีดีนี้ให้แก่ผู้อื่น ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มเพื่อนอนารยาที่หมายเลขโทรศัพท์027494911วันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาขอเชิญรับฟังชวนม่วนชื่น ธรรมบันเทิงหลายเรื่องเล่าค่ะ